4. กถินาธิชาณิตพะวิภาคะว่าด้วยการจำแนกข้อความรู้มีกถินเป็นต้น412พึงรู้กถินพึงรู้การกรานกถินพึงรู้เดือนที่กรานกถินพึงรู้วิบัติแห่งการกรานกถินพึงรู้สมบัติแห่งการกรานกถินพึงรู้การทำนิมิต พึงรู้การพูดเรียบเคียงพึงรู้ผ้าที่ยืมเขามาพึงรู้ผ้าที่เก็บไว้ค้างคืนพึงรู้ผ้าที่เป็นนิสสกขขีควรรู้กระถิ่นเป็นต้นคำว่าพึงรู้กระถิ่นนั้นคือการรวบรวมการประชุมชื่อการตั้งชื่อการเรียกชื่อภาษาพยัญชนะการกล่าวธรรมเหล่านั้นแลรวมเรียกว่า กถินคำว่าพึงรู้เดือนที่กรานกระถินนั้นคือรู้จักเดือนสุดท้ายแห่งฤดูฝนคำว่าพึงรู้วิบัติแห่งการกรานกระถินได้แก่พึงรู้จักวิบัติแห่งการกรานกระถินด้วยอาการ24อย่างคำว่าพึงรู้สมบัติแห่งการกรานกระถินได้แก่พึงรู้จักสมบัติแห่งการกรานกระถินด้วยอาการ17อย่าง คำว่าพึงรู้การทํานิมิตคือทํานิมิตว่าเราจะ ก, กรานกระถินด้วยผ้าผืนนี้ ası ası ası ası ası ası ası ası คาว่าพึงรู้การพูดเรียบเคียงคือทําการพูดเรียบเคียงด้วยคิดว่าเราจะให้ผ้ากระถินเกิดด้วยการพูดเรียบเคียงนี้คาว่าพึงรู้ผ้าที่ยืมเขามาคือรู้ผ้าที่ไม่ได้ยกให้ คำว่าพึงรู้ผ้าที่เก็บไว้ค้างคืนคือพึงรู้ผ้าที่เก็บไว้ค้างคืนสองอย่างคือ 1. ทําค้างคืน 2. เก็บไว้ค้างคืนคำว่าพึงรู้ผ้าที่เป็นนิสกีคือเมื่อภิกษุกำลังตัดเย็บผ้าอยู่อรุณขึ้นมาคาว่าพึงรู้การกรานกระถินความว่าถ้าผ้ากระถินเกิดขึ้นแก่สง สงควรปฏิบัติอย่างไรพิกษสุผู้กรานควรปฏิบัติอย่างไรพิกษสุผู้อนุโมทนาควรปฏิบัติอย่างไรอธิบายการกรานกะถิน413สงพึงให้ผ้ากะถินแก่พิกษสุผู้กรานกะถินด้วยยติทุติยกรรมพิกษสุผู้กรานกะถินนั้นควรซักขยี้ให้สะอาดแล้วกะ ตัดเย็บย้อมทำกับปะพินทุแล้วกรานกระถินในวันนั้นเลยถ้าประสงค์จะกรานกระถินด้วยผ้าสังคติควรถอนผ้าสังคติผืนเก่าเสียควรอธิษฐานผ้าสังคติผืนใหม่เปล่งวาจาว่าข้าพระเจ้าจะกรานกระถินด้วยผ้าสังคติผืนนี้ถ้าประสงค์จะกรานกรถินด้วยผ้าอุตราสง ควรถอนผ้าอุตราสง์ผืนเก่าเสียควรอธิษฐานผ้าอุตราสง์ผืนใหม่เปล่งวาจาว่าข้าพระเจ้าจะกรานกรถินด้วยผ้าอุตราสง์ผืนนี้ถ้าประสงค์จะกรานกรถินด้วยผ้าอันตรวาศกควรถอนผ้าอันตรวาศกผืนเก่าเสียควรอธิษฐานผ้าอันตรวาศกผืนใหม่เปล่งวาจาว่า ข้าพระเจ้าจะกรานกะถินด้วยผ้าอันตรวาศกผืนนี้พิสษุผู้กรานกะถินนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าอุตราสงเฉวียงบ่าประคองอัญชลีแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านเจ้าข้ากะถินของสงกรานเสร็จแล้วการกรานกะถินเป็นธรรมขอท่านทั้งหลายอนุโมทนาเถิดพิสษุผู้อนุโมทนาเหล่านั้น ผมผ้าอุตราสงเฉวียงบ่าประคองอัญชลีแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุกรถินของสงกรานเสร็จแล้วการกรานกรถินเป็นธรรมเราทั้งหลายอนุโมทนาภิกษุผู้กานกรถินนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูปหอมผ้าอุตราสงเฉวียงบ่าประคองอัญชลีแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านเจ้าข้ากรถินของสงกรานเสร็จแล้วการกรานกรถินเป็นธรรมขอท่านทั้งหลายอนุโมทนาเถิดภิกษุผู้อนุโมทนาเหล่านั้นห่มผ้าอุตราสงเฉวียงบ่าประคองอัญชลีแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุกรถินของสงกรานเสร็จแล้วการกรานกรถินเป็นธรรมเราทั้งหลายอนุโมทนา ภิกษุผู้กรานกถินนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มผ้าอุตราสงเฉวียงบาประคองอัญชลีแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านเจ้าข้ากรถินของสงกรานเสร็จแล้วการกรานกถินเป็นธรรมขอท่านอนุโมทนาเถิดภิกษุผู้อนุโมทนานั้นห่มผ้าอุตราสงเฉวียงบา ประคองอัญชลีแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุกระถินของสงกรานเสร็จแล้วการกรานกระถินเป็นธรรมข้าพระเจ้าอนุโมทนา